วันปฐมนิเทศก็ได้พูดเรื่องวิธีทำใจให้สงบคือฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็สองวันแล้วผู้ปฏิบัติก็สามารถ รวมกิจหรือรวมความรู้สึกให้เป็นหนึ่งได้หรือพูดอีกอย่างาให้เป็นสมาธิได้เราจะหยุดยู่เพียงสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติให้สูงขึ้นไปอีกเรียกว่าวิปัสสนา นิัสสนาคือการกำหนดให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นนาตตาความไม่เที่ยง อะไรไม่เที่ยงความเกิดก็ไม่เที่ยงความแก่ก็ไม่เที่ยงความเก็บก็ไม่เที่ยงความตายก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงกับเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์ก็เป็นนา ต, ตาไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่านี่ของเรานี่ของเรา ยึดไม่ได้ถ้ายังยึดอยู่เราก็ยังมีทุกข์อยู่ถ้าเราไม่ยึดจึงไม่มีทุกข์ตราบใดเรายังยึดถืออยู่ยังยึดถือขันนั่นนี่อยู่เห็นตัวเห็นตนนันนี้อยู่ เร่าอย่างเป็นส ก, กายยาทธิธิคือเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เราไม่เห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายที่มีอยู่ในนี้เลยใจใเราก็หลุดพ้นไปไม่ได้ต้องติดข้องอยู่ในวัตตานี่แหละท่องเที่ยวเยียน่ายตายเกิดอยู่นับพกนับชาตินับกลับนับกันไม่ท่วน เราต้องพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราจเจ้าแต่ความสงบอย่างเดียวไม่ได้ต้องพิจารณาด้วยพิจารณาให้เห็นความจริงตัวตนของเรานี่ที่เราเห็นอยู่นี่มันเป็นประชุมของธาตุสี่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิด เกิดขึ้นมาเป็นหญิงเป็นชายเกิดขึ้นมาก็มีความเกิดความแก่ความเก็บความตายติดตามมาด้วยถ้ามีเกิดอยู่ก็ต้องมีความแก่ความเก็บความตายติดตามมาตลอดแต่ก่อนเราก็เป็นเด็กเป็นเล็ก ไม่ใช่เป็นอย่างที่วันนี้เราก็แก่มาเรื่อยๆแก่มาเรื่อยๆจนอายุพูนนี่ปา น, นนี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนไว้ววชัดเจนไม่ได้ปิดบงังสอนให้เห็นความจริง ให้เห็นความจริงของชีวิตอันนี้แหละคือตัวตนอันนี้แหละสอนให้เห็นความจริงคือความไม่ยึดไม่ถือไม่สาคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเราแยกกายของเรานี้ออกจากกันเอาความสงบนั่นแหละเอาความสงบที่มีอยู่นั่นแหละ ไปแยกออกให้เป็นตัวเป็นตนอันนี้นะให้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาไม่ให้ยึดถือให้ปล่อยวางขันหานี่ขันหน้าประชุมกันอยู่นี่เรายึดถือเราไม่รู้ความจริง เมื่อเราไม่รู้ความจริงเราก็ปล่อยวางไม่ได้ถ้าเรารู้ความจริงเราก็ปล่อยวางได้รู้ความจริงเรื่องอะไรเรื่องตัวของเรานี่ยแหละแยกออกไปเอาผมออกไว้ส่วนหนึ่งเอาขนออกไว้ส่วนหนึ่ง เอาเล็บออกไว้ส่วนหนึ่งเอาหนังออกไว้ส่วนหนึ่งเอาเนื้อออกไว้ส่วนหนึ่งเอาตับไตไส่พุงออกไว้ส่วนหนึ่งเหลือโครงกระดูกกับเส้นเอ็นยึดโยงกันอยู่เอาเส้นเอ็นออกหมดเหลือแต่กระดูก ตัวตนของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกเหรอเรามีกระดูกทุกคนถ้าไม่มีกระดูกนี่ตั้งอยู่ไม่ได้แม้แต่ขาหักก็เดินไม่ได้แล้วแยวไปจนเห็นความจริง ว่ามันไม่เที่ยงจริงจริงไม่ใช่ตัวตนจริงจริงมันเป็นเพียงาธาตุสีเท่านั้นเองมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมดินน้ำไฟลมผสมกันอยู่ ยังยึดกันอยู่ไม่แตกสลายถ้าอินทรีย์แตกสลายร่างกายนี่ก็ทำงานต่อไปไม่ได้กิจก็ต้องออกจากร่างนี้ไปสู่ภพภูมิใหม่ต่อไปตามวนาจบุญบาปที่ทำไว้ข้อสำคัญเรามาพิจารณาดูชื่อตัวเราเนี่ย ตัวตนของเราเนี่อมันประกอบด้วยธาตุสี่มีอะไรบ้างธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารหน่อาหารเก่าตลอดมันสมองศีรษะอันนี้ทั้งหมดเป็นดิน ตายแล้วก็ลงสู่ดินลาสลายไปเป็นดินเป็นน้ำที่นี่น้ำดีน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมันไขข้อ น้ำโมกน้ำลายน้ำโมดชวนเรานี่เป็นน้ำผสมอยู่ในตัวตัวของเราเนี่แหละเห็นไหมเลือดถ้าเลือดมันแข็งตัวเป็นก้อนมันก็อุดตันในสมองอุดตันในหัวใจตายได้เหมือนกัน มันได้รับความอบอุ่นพอเพียงมันก็ไหลไปตามร่างกายวนเวียนเข้าสู่ตับสู่ปอดสู่ปอดแล้วก็ไปสู่หัวใจน้ำานรอเลี้ยงอยู่ร่างกายนี้จึงไม่แตกสลายไปได้ถ้าน้ำหยุดทำงานเมื่อไหร่เราก็ตาย ให้พิจารณาออกไปนี่เราก็จะเห็นความจริงว่าตัวเรานี่ของเรานี่ที่เรายึดถืออยู่นี่มันเป็นตัวเราสำหรับโลกหรือว่าตามสมมติโลกว่าตัวเราแต่บัญญัติธรรมของพระพุทธเจา้าบอกว่าตัวนี้มันเป็นของไม่เที่ยง มันแตกสลายไปได้เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแหยีอบจากการมดดินน้ำลมไฟเหยียบจากกาันไฟยังกายให้อบอุน่นไฟยังกายให้เล่าร้อนไฟเผาอาหารน้อยเนีย่ยไฟ ไฟเผาร่างกายให้สุดโสมมันก็เผามาเรื่อยๆต้องจะเป็นเหล็กเป็นเล็กต้องอยู่ในท้องแล้ น, นะแล้วเผามาเรื่อยๆท้องแม่นะเผามาเรื่อยๆเผามาจนเราแก่แล้วเท่าเราหมดสภาพอืม นี่คือไฟอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวนี่แหละนิทาศสียนี่แหล ะ, ห ล, ะลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวนั่นอันนี้เป็นลมเราจมน้ำลงไปหายใจไม่ได้ ไม่ถึงชั่วโมงเราก็ตายเหลืออยู่ไม่ได้เลยเหล่อหายใจไม่ได้มีเสเลดอัดคอปุ๊บลมผ่านขึ้นออกเข้าออกไม่ได้ตายเลยอันนี้ก็ไม่ถึงชั่วโมงเหมือนกัน ยี่สิบนาทีสามสินาทีลมลมผ่านออกผ่านเข้าไม่ได้ตายเลยลมในท้องลมในไส้เหมือนกันท้องอืดท้องคลองนี่แหละไม่ว่าดินไม่ว่าน้ำไม่ว่าลมไม่ว่าไฟ พอเป็นของแตกสลายเหมือนกันหมดเมื่อเราตายแล้วก็เคลืนสู่ดินสู่น้ำสู่ลมสู่ไฟเหมือนเดิมร่างกายนี้ให้เราเห็นให้ชัดให้พิจารณาให้มันชัดลงไปที่หนาลงไปดูเข้าไป เห็นโครงกระดูกไหมตัวเราหนึ่งยืนอยู่ได้ตั้งอยู่ได้ก็เพราะมีโครงกระดูกอยู่ให้เห็นชัดลงไปหเห็นแล้วมีประโยชน์อะไรมันก็เห็นทุกข์สิเห็นทุกข์กชัดเจน เห็นทุกข์ของความเกิดเห็นทุกข์ของความแก่เห็นทุกข์ของความเจ็บเห็นทุกข์ของความตายนี่เห็นดูงี้แหละเห็นที่ตัวเราเนี่ตกอยู่ใต้กฎแห่งความจริงเรียกว่า<น>อริยสัจความจริงอันประเสริฐ ความริงที่แท้จริงเอาพระเจ้าบัญญัติทำอันนี้ลงในกายนี้ในตัวตวนอันนี้ว่าเป็นทุกข์ใครมาพิจารณาเห็นความเป็นความตายของเราเราเนี้ว่าเป็นทุกข์แล้วเนี่ยก็จะเบื่อหน่ายคลายความกินดีไม่ยืดติด มั่นใจในตัวเองพ่าเราได้เห็นความจริงแล้วเห็นที่ตัวของเรานี่แหละเห็นความจริงในตัวของเราเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้สักจังหรอกเนื้อหนังวังสานีกาไไก่ก็เอาไปไม่ได้กระดูกก็เอาไปไม่ได้กะโลกศีรษาก็เอาไปไม่ได้ มันสมองชีรษะเราก็เอาไปไม่ได้พูดง่ายว่าเราเอาไปไม่ได้สักอย่างแม้เรามีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านเราก็เอาไปไม่ได้ถ้าไม่ทำบุญไว้เอาไปไม่ได้เลยผู้ที่ทําบุญไว้จึงเอาเอาสมบัติของโลกนี้ไปได้ผู้ไม่ได้ทําไว้นี่ยเอาไปไม่ได้เลย จค้นควายหามามากมายขนาดไหนก็ตามร่ลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ตามเอาไปไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินก็เอาดินไปไม่ได้เป็นเจ้าของตึกลามบ้านช่องใหญ่ตัวมโหฐานก็เอาไปไม่ได้ ลูกเมียก็ไปไม่ได้ซับชินสมบัติเอาไปไม่ได้แม้แต่ตัวเราเราก็าไปด้วยไม่ได้ต้องทิ้งไว้ในโลกอันนี้แหละทิ้งไว้ในโลกเอาไปไม่ได้เลยใจเราไปสู่ภพภูมิใหม่ก็มีบุญมีบาปที่ทำไว้นี่ะ เราทำบุญไว้ก็ไปตามอำนาจของบุญไปสวรรค์ชั้นว่าเราทำบาบไปไว้ก็ไปสู่บบยภูมิตกต่ำเดือดร้อนเป็นทุกข์ไปตกนรกเพราะบุญไม่มีเราสั่งสมหาเงินหาทองหาทรัพย์สินสมบัติรล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ยิ่งใหญ่ไนไหนก็ตามเป็นเจ้าของตลาดเป็นเจ้าของตึกลามวัานช่องไอญ่ตโตโมโหฐานก็เอาไปไม่ได้ไม่สามารถเอาไปได้เลยตายแล้วก็ทิ้งไวในโลกนี่แหละหลูกล้านเลนล้น คนดีมาปลูกดูแลก็เจริญขึ้นคนไม่ดีอับวีจันไรก็ขายกินขายทิ้งขายคว่างขายรักษาไว้ไม่ได้เพรางั้นเถอะรักษาทรัพย์สมบัติ น, นั้นไม่ได้ก็ทิ้งไปเป็นของคนใหม่ต่อไปอีกนี่แหละ ท่านให้เห็นความจริงความจริงของชีวิตความจริงของตัวเราให้เห็นเนื่องถึงตัวเราว่าเราเป็นอะไรเรามีอะไรเราได้อะไรเกิดมาในโลกนี้เราได้อะไรไปเนี่ยหายพิจารณาลงไปแม้แต่เนื้อหนังตัวตัวน้องเรานี่เราก็เอาไปไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปได้ในโลกนี้ ทาไมไ่ทำความดีไว้ไม่ได้ทำบุญทงบุญสนไว้จะอะไรไปได้ทิ้งเป็นสมบัติของโลกนี่แหละคนอื่นๆก็ทำหน้าที่ต่อไปคนรวยมีเงินมากมายทำไม่ดีอาพฤติตัวไม่ดีเล่นการพานัน ก็คือนอกลีดนอกลอยไม่มีศีลไม่มีธรรมเงินมากมายเหล่านั้นก็ยังไม่ยังไม่ถึงแก่ถึงเท่าเลยหายไปหมดแล้วเคยนั่งรถเบ้นรถกิง๋งทำงานก็มานั่งรถพี่อับเก่าๆกา่นั้น อันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเราจะยึดถือเอาได้รับไว้ขนาดไหนมางทีรักษาทรัพย์ไม่เป็นก็สูญหายสลายไปก่อนที่เราจะตายทรัพย์มันไปจากเราแล้วอย่างนี้ก็มีอยู่ท่านจึงให้พิพจารณาถึงความจริงว่า เรานี่จะมีความตายเป็นเบื้องหน้าอยู่นะจะมีความตายเป็นเบื้องหน้าอยู่เราต้องพิจารณาเข้ามาที่ตัวตนของเรานี่อายุร้อยปีเป็นประมาณแต่คนปัจจุบันนี้อายุถึงร้อยปีไหมหายากคนถึงร้อยปีเนี่ยหายาก 60, สิบ0็ดสิบแปดสิบนี่ไปแล้วเก้าสิบนี่ไปแล้วเกินเก้าสิบไปก็ไม่มากนี่ก็พ่อหาได้อยู่แต่ร้อยเกินร้อยนี่หายากและเกินในยุคนี้สมัยนี้ห้าสิบหกสิบก็ล่วงหล่นไปแล้วพอตายไปแล้วว่างัง้นเถอะใครมีอายุถึงหกสิบเจ็ดสิบก็เทืดดีอยู่ ยังโชคดีอยู่ที่ไม่ตายไปเสียก่อนก็ยังมีโอกาสได้ทำความดีได้ปฏิบัติธรรมได้บำเพ็ญคุณงามความดีได้สร้างบุญสร้างอุศนไว้ได้ทำความดีไว้ให้กับตัวเองจะไปรีรอว่าวันนั้นวันนี้เราจะทำความดีจะไปรอรอไปไม่ได้คอยไปไม่ได้คอยมันผ่าน ปีนี่ไปก่อนปีหน้าเธอปีน้นเธอบางทีมันไม่ถึงปีหน้าเลยมนะันตายแล้วน่นเราหลุดออกมาได้มาปฏิบัติธรรมได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่ความตั้งใจไม่ใช่ธรรมดาตั้งใจอย่างเต็มที่เลยถึงหมาได้ที่นี่ก็ไม่ใช่อยู่ที่ในเมือง ห่างไกลความเจริญอยู่บ้านนอกห่างไกลความเจริญถ้าผู้ไม่สนใจจริงมาไม่ถูกเลยผู้ไม่ตั้งใจจริงมาไม่ถูกว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนีม่มาได้ปานนี้ถือว่าดีมากทีเดียวถือว่าตั้งใจเต็มที่ เมื่อท่านทั้งหลายตั้งใจมาเราก็ต้องตั้งใจสอนสอนให้เห็นความจริงให้สามารถปล่อยวางได้ให้สามารถชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้ให้มีธรรมะในใจได้ถ้ามีธรรมะในใจแล้วก็โชคดีและ เนี่ยก็ตั้งใจผู้มาตั้งใจมาผู้สอนก็ตั้งใจสอนสอนให้เห็นความจริงความจริงในตัวตนของเราเนี่แหละคนอื่นก็เหมือน ก, นกันกับเราเหมือนกัน่ะถ้าเราเข้าใจตัวเราเองได้แล้วเรขาเข้าใจคนอื่นได้เหมือนกัน มันไม่ใช่เพียงเท่านี้แม้แต่วัตถุที่เราก่อสร้างไว้นี่ร้อยปีพันปีข้างหน้ามันก็สลายไปหมดอายุของมันใช้การไม่ได้มันไม่เที่ยง น, น่ไม่เที่ยงให้เราเห็นว่าวัตถุที่มีใจครองก็ตาม สิ่งที่มีใจคลองก็ตามไม่มีใจคลองก็ตามตกอยู่ใต้กฎอนิจจังหมดเลยเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงหมดเป็นทุกขังความทนอยู่ไม่ได้เป็นหน้าตาไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่านี่คือของเรานี่คือของเราเรายึดถือเอาไม่ได้ นี่แหละไอเห็นความจริงอย่างนี้เห็นความจริงแล้วเกิดประโยชน์อะไรเมื่อเราเห็นความจริงก็คือเห็นธรรมะเนี่ยอริยสัจคราบจริงอันประเสริฐสี่อย่างทุกอะไรทุกเหรอความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความเก็บเป็นทุกความตายเป็นทุก ความพัดภาคจากการเป็นทุกข์ทุกกายทุกใจให้เห็นทุกข์สมุทัยเหนในเกิดทุกข์คือความอยากอยากในกามอยากในภพอยากในวิภพความอยาก เป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์นี่แหละให้พิจารณาลงไปที่ตัวเราเราจะหนีกองทุกข์ได้โดยเด็ดขาดถ้าเราปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดนี่เราก็ปฏิบัติมากแปดเรามีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเราก็เห็นชัดอยู่เดีย๋ยวนี้เราก็เป็นสมาธิทีถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่มานั่งสมาธิหรอกไม่มฝึกไม่ปฏิบัติหรอกเห็นเล่าเห็นเบียเห็นลูกเห็นเมียคนอื่นเป็นสิ่งที่โยโยนกวนใจเพิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้น ไม่ได้คิดมาที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากทุกข์หรอกอันนี้เราก็เห็นถูกแล้วเอาเหตุเราความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเก็บความตายเป็นทุกข์เราจึงมาปฏิบัติธรรมสมาธิที่ก็เกิดแล้วมสมาสังกปะความดำดีชอบ ดํำริออกจากกามดํำริไม่พยาบาทดํำริไม่เบียดเบียนคือไม่คิดเรื่องเหล่านี้มาเถอะเรื่องกามเรื่องผูกใจเก็บไว้กับคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างนี้เรื่องพยาบาทคือคิดปองลายนั่นมันเป็นอย่างนั้น นี่สมาธิที่ความเห็นชอบคนามนิยชอบเป็นปัญญาปัญญานำหน้าที่เราฝึกอยู่เดือวนี้เราฝึกใจของเราให้สงบตามหลักสมาสมาธิ ความเพียรชอบเพียนละความชั่วจากใจเราเพียรบำเพ็ญคุณงามความดีให้กับเรารักษาความดีไว้ไม่เสื่อมสูญสลายหายไปตั้งสติชอบ ตั้งสติอยู่ในกายอยู่ในเวทนาตั้งสติอยู่ในกายอย่างเราตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่นั่นมันถูกแล้ว น, น่ใจเรามันอยู่เลยทำถูกตามคำสอนพุทธเจ้ามันก็อยู่ทัเอง นี่แหละทางสีอยู่ในกายลมหายใจก็เป็นกายชนิดหนึ่งธาตุสีเนี่ยดินน้ำลมไฟกายลมในกายเห็นกายเห็นลมก็คือเห็นกาย เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมก็เป็นสติปัฏฐานสี่พูดง่ายๆมันเขาพระพุทธเจ้าท่านขยายไว้เราเข้าใจแต่อันที่จริงเราเข้าใจเพียงว่าเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านี้เราก็ทกําจิตให้สงบได้แล้ว เมื่อกิดสงบมันก็เป็นสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือการทำกิจให้สงบเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว ไม่ฟุ้งซ่านไม่ส่งไปตามความคิดไม่ส่งไปตามความนึกไม่ส่งไปตามความรู้สึกทำใจให้ตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกสาสมาธิก็เกิดขึ้น ชาญที่หนึ่งก็เกิดที่สองก็เกิดที่สามที่สี่เราไม่เอาไปถึงชาญแปดเราแค่ชาญสี่ก็พอแล้วอันนี้ก็เป็นส ม, มาสมาธิสมาสมาธินี่แหละ เราทำให้มันสงบให้ใจเราสงบไม่ต้องติดรูปแบบว่าต้องเป็นเป็นฌานนั้นหรือเปล่าเป็นฌานนี้หรือเปล่าอะไรต่างๆเราไม่ต้องไปติดเอาแค่ว่าเราทํากิตให้สงบได้พอพร้อมที่จะเอามาพิจารณาได้พิจารณาให้เห็นความจริงได้เมื่อกิจสงบแล้วก็ อ่อนควรแก่การงานการงานในที่นี้ก็คือการพิจารณานั่นเองพิจารณาให้เห็นแกงหเห็นจริงกระจักชัดขึ้นมาในตัวในต้นของเรานี่เราก็สามารถที่จะปล่อยวางได้ก็เรียกว่าบรรลุมรคผลเป็นโซดาวันเป็นสกิทาขาเป็นอนาขาเป็นอารานัน เราวางได้ยิ่งเราทำต่อไปเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เราจะฝึกอยู่ที่ความสงบอย่างเดียวตองพิจนาขึ้นไปให้เห็นแก้งพระจักในอริยสัจสี่ชัดเกีย์ยิ่งขึ้นมันก็วางได้หมดธาตุันเรานี่วางได้หมด ไม่เหลือตัวตนอยู่เลยปราศจากตัวตนที่ควรจะเข้าไปยึดถือเอาเป็นอย่างนี้ให้พิจนาเข้ามาที่ตัวเราพิจนาให้เห็นชัด ที่นาเห็นแจ้งจริงแจ้งกระจักว่าตัวนี้ตัวนั้นนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆริงมันเป็นเพียงธาตุสีเรามาหลงยึดเถือว่าเป็นของเราของเราวุ่นวายในโลกนี้ นีจากพบจากชาติไม่ได้ทองเที่ยวเวียน่ายตายเกิดในวัฏสงสารน้อยใหญ่นี้ตลอดไปเพระพุทธเจ้าจะสรู้ไปแล้วกี่พระองค์ก็ไม่ทราบเราก็ยังหนีจากทุกข์ไม่ได้เราอยากคิดว่าชาตินี้พบนี้ปัจจุบันนี้เราเป็นตัวเป็นตเนตเป็นคนอยู่โพรมันแก่มันเท่าแล้วจะไปฝึกสมาธิไปอะไรก็ไม่ได้หรอก เอาไว้ชาติหน้าดีกว่าเอาพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปดีกว่าเราลองคิดดูชาติหน้าพบหน้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์เราไม่อยู่ในสุคติภูมิสุคติภพเราไปอยู่ในทุกขติภูมิ เอาไปเป็นสัตดิราสารฟังธรรมได้ไหมสัตดิราสารฟังคําสอนได้ไหมสอนในภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออกหรือพิณาพุทโธพุโธเหล่านี้มันทําได้ไหมมันทําไม่ได้ไม่รู้เรื่องเป็นเปรตก็หิ ว, ห, วห้อยอดอยากไม่ได้คิดถึง หลักทมคำสอนอะไรหรอกฟังทมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเป็นอาภัพภรสัตว์อสุรกายผีสางนางไม้ถ้าเราไปเป็นผีเป็นอะไรอยู่ เป็นเป็นปอบเป็นกระสืออะไรเงี้ยเราไปเป็นอยู่เราจะรู้ทมไหมรู้จักพุทโทรธธรรมโมสังโฆไหมไม่รู้จกักเราเป็นสันโรกไปตกนรกกั สักหมื่นกับเนี่ยพอพุทธญาตัสรู้ไปกี่พวงแล้วเราก็ให้คนุกเช่นอวิธีมหานรกเนี่ยตกลึกมากหนึ่งอันตรกับนานแสนานานหรือไปตกอยู่ที่สันสีวนันโลกนรกขุมแรก ห้าร้อยปีนรกวันหนึ่งคือหนึ่งของสันชีวานาโลกเนะี่ยเทียบเวลาในมนุษย์แล้วเก้าล้านปีในมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคือหนึ่งของสันชีวานาโลกแต่สันชีวานาโลกไม่ใช่มีอายุอยู่วันเดียว มีอายุอยู่ตั้งห้าพันเราลองคิดดูสินานแค่ไหนแผ่นดินนี่สูงขึ้นเท่าไหร่เราไม่อาจกำหนดได้เลยพระพุทธเจ้ามาจรดสรู้กี่พระองค์เราก็ไม่พ้นทุก เพราะเรายัางสวยกรรมชั่วอยู่เพราะฉะนั้นกรรมชั่วไม่ควรทำเป็นสัตว์ที่อาภัพไม่สามารถที่จะรับรู้มรรคผลนิพพานได้มันลำ บ, บากมันทุกข์เกินไปทรมานเกินไปไม่สามารถฟังธรรมเข้าใจได้ โชคดีเราได้เป็นมนุษย์นี่มันฟังทำเข้าใจได้สามารถปฏิบัติได้สามารถกระทําตามคำสอนพุทธเจ้าได้เป็นเทพเป็นเทวดาก็เพลิดเพลินในบุญในกุศลเพลิดเพลิ น, นในความสุขถ้าตั้งใจปฏิบัติก็ได้บรรลุเหมือนกันเรียกว่าสุขติภูมิ พระพุทธเจ้าตรัสว่าศัทธาเทวมนุษย์สางพระพุทธเจ้าในเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นครูของเทวดาเป็นครูของมนุษย์สามารถสอนมนุษย์ได้สามารถสอนเทพเทวดาได้ก็สามารถพ้นทุกได้เป็นโชดาปันเป็นพระสกิทาขามีเป็นพระนาคามีเป็นพระลรหันได้ เนีย่ยเราลองคิดดูเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ต้องรอว่าชาติหน้าพบหน้าโอกาสหน้าเราจึงจะปฏิบัติธรรมไม่ใช่อย่าไปรอป่านนั้นจะไปคิดป่านนั้นมันเสียเวลาความตายมันไม่บอกใคร เชื่อว่ากิจมาตับปังโกชัญญามานาังสุเวนะหินโนสครันต์นนมหาเสนนนมัจจุนาพรายามัจจุราชนี่มีเสนาใหญ่ผมขาวผมงอกนั่นมาเสนาของมัจจุราชมาแล้วนะปวดแข้งปวดขานั่น เสนาของพยามัจุราชปรากฏแล้วหูหนวกหูตึงนั่นปวดแขนปวดขาปวดเท้าปวดมือเป็นไข้เป็นหนาวเป็นตัวร้อนนั่นนี่นั่นเสนาของพยามัจุราชคือความตายมันปรากฏแล้วเราต้องรีบเร่งทําสมาธิวิปัสสนา ให้มีมากมีผลขึ้นมาให้มันได้โอกาสที่จะหนีจากกองทุกนี้ที่เรามาเกิดนี่ให้มีโอกาสที่จะสามารถหนีจากกองทุกให้ได้ให้ตั้งใจปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นแจ้งเห็นประจักชัดเจนในตัวของเรา ลองแยกดูตัวนี้ออกเป็นชิ้นเป็นส่วนแยกออกไปมันไม่สามารถที่จะดีรออยู่คอยวันนั้นวันนี้หรอกเอาวันนี้แหละ เอาวันนี้แหละให้ได้ที่จะเหตุจริงแจ้งพระจักก็ต้องกิตเป็นสมาธิมั่นคงเ้ียก่อนจิตต้องเป็นหนึ่งเมื่อกิดเป็นหนึ่งแล้วพิจะะารณามันก็จะเห็นความจริงชัดเกลีขึ้นมาถ้ากิตยังไม่สงบมันก็ไม่เห็นไม่เห็นชัดกิตต้องเป็นสัมมาสมาธิ เป็สมาธิชอบเสก่อนมันจึงจะเห็นความจริงนี้ได้มันถึงจะหลุดพ้นจากกองทุกนี้ได้การหัดสมาธิก็ดีหัดพิจณาก็ดีเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตของเราเพื่อนี้จากกองทุกในวัฏสงสาร ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกใดๆอีกต่อไปอันนี้ระว่าสูงสุดของพุทธศาสนาสมณะที่หนึ่งสองสามสี่มีในพุทธศาสนาเท่านั้นขอพูดง่ายๆว่าเราปฏิบัติตามอริยมรรยองแปดนี่แหละคือทางอันประเสริฐ ทางให้ถึงความพ้นทุกข์ทางให้เห็นแจ้งเห็นจริงทางให้ละจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายแปดทางนี่แหละทางแปดทางนี่แหละเป็นทางให้เห็นความจริงให้เราพ้นทุกข์ได้ดําเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค์แปด ส ม, มาธิทีิความเหมนชอบส ม, มาสังกปะความดำริชอบส ม, มาวาจาจีรจาชอบส ม, มากรรมตะการงานชอบส ม, มาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบส ม, มายาวายามพยายามชอบส ม, มาสติตั้งสติชอบ สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบแปดอย่างนี้เป็นทางดำเนินไปเพื่อความบนทุกข์เพื่อให้เราเหตุแก้งริงประจักนี่แหละให้ปฏิบัติตามให้กระทำตามเราจะไม่ผิดหวังเลยจะประสบความสุขความสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ไล้ เราจะเห็นใจของเราชัดเจนในชาติปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอพบหน้าชาติใหม่ให้ทาใจเข้าถึงทำกองพุทธเจ้าต่อไป